อยากจะถามให้มันแน่ใจก่อนก่อนที่เราสองจะเดินไปไกลามากกว่า น, นี้วันแลวคือ ไม่ต้องมีวา่าทีใดจะอยู่ได้ไหมให้เวลาเป็นคำตอบฉันมีคำถามข้อหนึ่งไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดฉัน ตลอดชีวิตมันนานนะเธอจะทนกับฉันในน้าหรือเปล่าหากวันหนึ่งบังเอิญมีเรื่องราวที่ทำให้เธอเสียใจจะอยู่อีกนานไหมหากว่าคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเหมือนที่เธอปันเอาไว้จะอยู่กันไปตลอดชีวิต ถามข้อหนึ่งไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดฉันดูแลเกินเติรนรอชีวิตมันนานนะ<ๆ>เธอจะทนกับฉันในนานหรือเปล่าหากวันหนึ่งบางเงินมีเรื่องราวที่ทำให้เธอเสียใจจ นานไหมหากว่าคนคนหนึ people, ่งไม่ได้เป็นเงินที่เธอฝันเอาไว้จะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่าจะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า ชีวิตมันนานนะเธอจะทนกับฉันในนานหรือเปล่าหากวันหนึ่งมังเอิญมีเรื่องราวที่ทำให้เธอเสียใจจะอยู่อีกนานไหมหากว่าคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเงินที่เธอฝันเอาไว้จะอยู่กันไปตลอดชีวิต